ช่วงอากาศหนาวๆเนี่ยอย่างช่วงนี้บางวันเนี่ยตอนเช้าๆเราจะเห็นสัตว์อย่างเช่นจิงเลนกิงกามานอนตากแดดบนทางบ้างบนสะพานบ้างอยู่บนก้อนหินทำไมมันถึงตากแดดนะเพราะมันหนาว แต่ไม่ใช่แค่หนาอย่างเดียวนะคนเราเนี่ยแม้จะหนาบางทีก็ไม่ต้องถึงกับตากแดดไม่ใช่เพราะเรามีเสื้อผ้าหม่มแต่เพราะว่าเรามีบางอย่างที่พวกจิงเหลนหรือว่ากิ้งกาไม่มีสัตว์เลื้อยคลานเหล่านี้เนี่ยมันสัตว์เลือดเย็นนะสัตว์เลือดเย็นก็หมายความ ว, าว่ามันไม่สามารถที่จะผลิตความอุ่นหรือความร้อน ขึ้นในตัวเองได้คนเรานี่เป็นสัตว์เลือดอุ่นสัตว์เลือดอุ่นก็หมายความว่าเราสามารถที่จะผลิตความอุ่นความร้อนขึ้นมาได้ด้วยตัวเองอย่างอุณหภูมิในร่างกายของเราเนี่ยนะมันก็ประมาณ3ามจยืนพื้นเลยซึ่งมันก็ช่วยทำให้เราสามารถจะ ทนความหนาวได้โดยที่ไม่ไปต้องไปตากแดด ก, ก็ได้แต่ว่าสัตว์เลื้อยคลานเหล่านี้เนี่ยมันเหลือเป็นสัตว์เลื้อยเย็นร่างกายมันไม่สามารถจะผลิตความร้อนหรือความอุ่นได้โดยตัวมันเองก็ต้องอาศัยความร้อนจากแสงแดดจากดวงอาทิตย์ ต้องพึ่งพาแสงแดดต้องพึ่งพาแสงอาทิตย์มนุษย์เราไม่ได้ถึงขนาดนั้นความอบอุ่นนะรุอนอณภูมินี่มันก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับร่างกายนะแล้วก็มนุษย์เราก็โชคดีที่ร่างกายของเรานี่สามารถที่จะผลิตอุณภูมิผลิ ต, ลตความร้อนขึ้นมาด้วยตัวเอง แต่มันไม่ใช่แค่นั้นนาที่เราผลิตได้เนี่ยด้วยตัวเองเนี่ยในขาที่ร่างกายเราต้องการความอบอุ่นจิตใจเราก็ต้องการบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญนะสิ่งนั้นคือความสุขและความสุขก็เป็นสิ่งหนึ่งน้าที่ จิตใจเราเนี่ยสามารถจะผลิตได้อันนี้เป็นเป็นความจริงที่คนไม่ค่อยตระหนักเท่าไหร่เพราะคนเราไปคิดว่าความสุขนี่มันต้องไปหาจากข้างนอกผมไม่ต่างจากกิ่งกานะที่หาความบอบอุ่นจากแสงอาทิตย์ ถ้าคนไม่น้อยเนี่ยคิดว่าความสุขเนี่ยมันต้องไปหาจากสิ่งภายนอกเช่นจากห้างสรรพสินค้าจากโรงหนังจากร้านอาหารหรือว่าจากสถานบันเทิงหรือว่าจากที่ท่องเที่ยว แต่เราลืมไปว่าเนี่ยความสุขเนี่ยเราก็สามารถที่จะพบได้นะที่ใจของเราความสุขนี่มันหาหาได้นะจากใจของเราแต่ว่าความสุขชนิดนี้เนี่ยมันต่างจากความสุขที่เราไปหาจากภายนอกนะความสุขที่เราไปหาจากภายนอกเนี่ย ทางพาเรียกว่าสามิตสุขนะหรือสุขที่อาศัยอามิตรอาศัยวัตถุเช่นอาหารที่อร่อยหรือว่าสินค้าข้าวของโทรศัพท์แก้วแหวนเงินทองที่ซื้อจากร้านหรือจากห้างบางทีเราก็เรียกความสุขชนิดนี้ว่ากามสุขนะคือสุขจากสิ่งเสพ หรือความสุขจา ก, กระมกรารในที่นี้ก็หมายถึงวัตถุที่น่าพอใจตั้งแต่รูปรสกลิ่นเสียงรวมถึงสัมผัสเนี่ยเห็นเพลงที่เพราะอาหารที่อร่อยอันนี้ก็เรียกว่ากรารนะมันไม่จำเป็นต้องไปเกี่ยวยงกับเรื่องทางเพศอันนั้นแคบไปคนเราเนี่ยจำนวนมากเลยคิดว่า ความสุขมันมีอย่างเดียวนะคือความสุขจากการเสพความสุขจากการมีการได้การครอบครองวัตถุโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์โนต้ตบุ๊กรถยนต์บ้านเพชรนินจินดานะแต่นั่นก็เป็นความสุขชนิดหนึ่งนะมันไม่ใช่เป็นความสุขอย่างเดียวที่คนเรารู้จัก แล้วก็ปรารถนาความสุขอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันมีชื่ออเรียกอีกอย่างนึงว่าความสงบและความสุขช น, นิดนี้เราสามารถพบได้ที่ใจจะเรียกว่าเป็นความสุขที่จิตใจเราเนี่ยสามารถจะสร้างขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาวัตถุไม่เหมือนกับอามิสุขสามิสุข หรือว่าการมาสุขนี่มันต้องอาศัยรูปรสกลิ่นเสียงอาศัยอาหารที่อร่อยเพลงที่เพราะหนังที่สนุกของเล่นเครื่องดนตรีแก้งแหวนเงินทองเนี่ยถึงจะมีความสุขอันนี้เราเป็นความสุขจากการเสพความสุขจากการมีการได้ต้องไปหาจากข้างนอกต้องดิน้นรนไปห้างไปโรงหนัง ไปที่ที่แปลกหูแปลกตาน่าตื่นตาตื่นใจแต่ความสุขที่ชื่อวความสงบเนี่ยมันไม่ต้องไปหาจากที่ไหนเราสามารถสัมผัสหรือพบได้ที่ใจของเราและความสุขชนิดนี้เนี่ยมันเป็นความสุขที่ขาดไม่ได้นะขาดไม่ได้เลย คนที่แสวงหาแจากความสุขจากวัตถุแสวงหาความสุขจากการเสพจากการมีการได้แม้จะสมหวังนะอยากได้อะไรก็ได้อยากเสพอะไรก็ได้เสพคนเหล่านี้แม้จะสมหวังในความสุขที่แสวงหาในลักษณะนี้ มากเพียงใดเนี่ยก็ไม่เคยรู้สึกเต็มอิ่มนะกับชีวิตเลยเราจะสังเกตเพบว่าเนี่ยคนที่เขามีเงินประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจมีเงินร้อยล้านพันล้านพูกนี้เขาไม่เคยอยู่นิ่งเลยเขาจะต้องสแสวงหาเงินทอง ไม่หยุดหย่อนเพราะอะไรเนเพราะเขาคิดว่าถ้าเขามีเงินมากเนี่ยเขาจะก็จะพอเขาจะหยุดแต่ว่าได้เท่าไหร่ก็ไม่เคยพอไม่เคยหยุดแล้วเขาคิดว่าที่เขายังไม่มีความสุขเพราะเขายังมีเงินไม่พอแต่ที่จริงไม่ใช่หรอกไม่ใช่เขามีเงินไม่พอแต่เพราะเขายังสงบไม่พอมากกว่า ก็หมดใจไปแสวงหาความสุขจากการมีการได้แต่มองข้ามความสุขที่ชื่อว่าความสงบพอจิตใจไม่ได้พ่ดความสงบเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับยังยังหิวยังหยหาแต่ก็เข้าใจเพียงว่าอธิีขาดเนี่ยคือยังมีเงินไม่พอยังมีทรัพย์ไม่พอยังรวยไม่พอ ไปเข้าใจผิดว่าตัวองยังขาดสิ่งนั้นอยู่แต่ที่จริงขาดความสงบมากกว่าครั้งต่พบความสงบนะหรือว่าความสงบที่ใจเนี่ยมันนิ่งได้มันหยุดได้นะเกิดความจับรู้เกิดความรู้สึกพอขึ้นมาเหมือนกับคนที่หิวแล้วได้กินพออิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็หยุดกินพอละอิ่มแล้ว อันนี้คือความสุขที่คนมักจะมองข้ามและเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะมีเท่าไหร่ก็เลยไม่เคยรู้จักพอหรือว่ารู้สึกอิ่มเอมหรือรู้สึกมีความสุขอย่างแท้จริงไอนน้ความสงบเนี่ยนะบางคนเนี่ย คิดว่าเนี่ยเราจะพบความสงบได้เนี่ยต้องต้องไปที่ที่สงบต้องไปที่ที่สงบไม่มีเสียงไม่มีเสียงรบกวนบางคนไปก็ใจก็สงบนะเพราะสถานที่นั้นเนี่ยเป็นปา่าเป็นที่ที่ไม่มีเสียงอุกทึกคึกโครมเป็นที่ที่สงบสงัด แต่จ น, นไม่น้อยเนี่ยไปยังที่เหล่านั้นแล้วก็ยังไม่พบความสงบเป็นเพราะอะไรนะเพราะว่ามันมีความคิดนะขุดขึ้นมามากมายแม้ว่ารอบตัวเนี่ยจะไม่มีเสียงดังไม่มีคนรบกวนไม่มีงานการให้ต้องทำไม่มีปัญหาให้แบก แต่ก็ยังไม่พบกับความสงบเพราะว่าความคิดเนี่ยมันยังวิ่งไม่หยุดในหัวเนี่ยมันมีความคิดมันมีเสียงดัง เ, เป็นเสียงแห่งความคิดอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยจะพบความสงบได้เนี่ยมันไม่ได้ไหมายความว่าต้องไปในที่ที่สงบสงัดเท่านั้นนะแต่ว่าอาจจะต้องนะรู้จัก ความคิดและสิ่งที่มันรบกวนในจิตใจของเราซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้ไหมายความว่าต้องมีปัญหาต้องมีเหตุร้ายหรือต้องเจอสิ่งไม่ถูกใจนะมันถึงจะมีะความรู้สึกปั่นป่วนวุ่นวายในจิตใจหรือเจอความไม่สงบภายในคนที่ชีวิตเขาราบรื่น หรือว่าประสบะความสำเร็จมีสิ่งเสพที่ต้องการไม่เคยขาดคนเหล่านี้เนี่ยบางทีก็จิตใจก็ไม่สงบนะ ท, ทั้งที่ไม่มีปัญหามารบกวนอย่างคนที่เขา ใช้ชีวิตยอย่างสนุกสนานมีสิ่งแสบปลนเปรบำรงบำรงบำเรอไม่เคยขาดเลยเนี่ยหลายคนพอถึงจุดหนึ่งนะจิตใจมันว้าวุ่นละอย่างที่ใครที่ศึกษาเรื่องพุทธประวัติเนี่ยก็จะ จำเรื่องราวของพระยะรัสสะได้นีพระยะรัสสานิตกรกอนนี่ก็เป็นลูกเศรษฐีเรียกว่ายัสสากุลบุตรหรือยัสสะามานบเนี่ยชีวิตนี้ไม่มีอะไรที่ขาดเลยมีสิ่งเสพมีสิ่งเปรนเปิดตลอดเวลาทั้งสิ่งเสพทางตาสิ่งเสพทางหูสิ่งเสพหรือสิ่งสัมผัสทางกาย แต่พอถึงจุดหนึ่งนะก็รู้สึกเบื่อเดินออกไปจากปราสาทไม่มีจุดหมายแล้วก็บดขึ้นมาว่านีที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอไอ้ที่นี่เนี่ยไม่ได้เป็นสถานที่ทามาถึงใจเนี่ยมันสะท้อนถึงปัญหาในจิตใจจิตใ จ, จมันวุ่นวายทั้งที่ชีวิตนี่นสบาย นะยังไม่เจอความทุกข์อะไรเลยแต่ว่าจิตใจไม่มีความสงบอุปติษาโกลิตะ่ซึ่งภายหลังต่อมาเป็นภาษาริบุตรพโมขลานะก็เหมือนกันนะตอนเป็นหนุม่มนี่ก็เที่ยวเตรกับเพื่อนมิสสาหายใช้ชีวิตอย่างสำเริงสำราญแต่พอจึงนีเน่เกิดความเบื่อขึ้นมา ไอ้ความเบื่อพอมันเกิดขึ้นในใจเนี่ยหลายคนก็รู้สึกเลยนะว่ามันไม่สงบเกิดความรู้สึกไม่พอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ทั่วเนี้ก็ยังมีคนแบบนี้อยู่นะเที่ยวเตรสนุกสนานแล้วสุดท้ายแม้จะอิ่มไม่จะเต็มเปลี่ยนไปด้วยกามมาสุขแต่ว่าก็ไม่พบกับความสงบที่แท้ มีนักธุรกิจบางคนนี่มีสินทรัพย์นี่เป็นพันล้านหมื่นล้านนะแต่สุดท้ายนี่ก็เบื่อรู้สึกว่าเชื่องตัวไม่มีคุณค่าเพราะมันจําเจมันราบเรียบเกินไปอันนี้ขณะประสบความสาเร็จนะไม่ต้องพูดถึงคนที่เขาเจอเหตุร้าย เจออุปสรรคเจอความสูญเสียเจอความเจ็บป่วยหรือว่าเจอความขัดแยง้งกับเพื่อนบ้านกับคนรอบข้างเนี่ยมันก็ยิ่งนะเกิดความว้าวุ่นมีความคิดและอารมณ์ต่างรบกวนสิ่งหน้าจะเป็นความโกรธ ความเศร้าความเกลียดความวิตกกังวลอารมณ์พวกนี้เนี่ยพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทั้งที่รอบตัวยังเงียบสงบนะแต่ว่าเจ้าตัวจะรู้สึกนะว่าใจมันไม่สงบเจ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยเวลาพูดถึงความสงบเนี่ยเราไม่ได้หมายถึงการที่มีเสียงรบกวน จะมายถึงการที่มีความคิดและอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นรบกวนจิตใจอาจจะเป็นความโกรธอาจจะเป็นความเศร้ า, า จ, จะเป็นความวิตกกังวลอา จ, จะเป็นความตื่นตหนกอาจจะเป็นความเบื่อหน่ายก็ได้พอสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกความไม่สงบขึ้นมา แล้วถึงตอนนั้นถึงจตนากว่ามีเงินเท่าไหรนะ่ประสบความสำเร็จเพียงใดมันก็ไม่มีค่าเท่ากับการที่เราได้พบกับความสงบในจิตใจอันนี้ความสงบ ใ, ในจิตใจเนี่ยเราจะพบได้อย่างไรนะหลายคนจะเข้าใจว่าความสงบเกิดขึ้นเมื่อมันมีความคิดเกิดขึ้นมากมาย คออวามคีดเกิดขึ้นมากมายเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันไม่สงบที่จริงมันไม่ใช่แค่ความคิดเกิดขึ้นมากมายนะที่เราสึกไม่สงบเพราะมันเป็นความคิดที่เราไม่ชอบถ้าเป็นความคิดที่เราชอบเนี่ยเราจะไม่รู้สึกเลยนะว่ามันไม่สงบนะกับเพลิดเพลินซะอีกนะคนที่ฝันกลางวันคนที่คุณคิดถึงแต่เรื่องแฟน นะคิดแต่เรื่องเที่ยวเนี่ยโอ้ความคิดนี่มันออกมาทั้งวันเลยแต่ก็ไม่เคยบ่นเลยนะว่ามันไม่สงบไม่เคยบ่นว่าจิตใจว้าวุ่นเวลาเราบอกว่าใจไม่สงบเนี่ยมันล้นแล้วแต่เป็นเพราะมีความคิดที่เราไม่ชอบซึ่งรวมไปถึงอารมณ์ด้วยถ้าเป็นความคิดที่เราชอบเป็นอารมณ์ที่เราชอบนี่โอ้ยไม่มีบ่นเลยนะว่าใจไม่สงบ นั่นมันไม่ใช่เป็นแค่มีความคิดเยอะอารมณ์มากมายเกิดขึ้นในใจแต่มันต้องเป็นความคิดและอารมณ์ที่เราไม่ชอบแล้วทำยังไงถึงให้ใจสงบถ้าพูดแบบคาป้าทุติยงก็คือว่าก็เปลี่ยนความไม่ชอบนั้นให้เป็นความรู้สึกเฉยเยความคิดใดที่มันเกิดขึ้นถ้าเราไม่ชอบมันเมื่อไหร่นะเราหงุดหงิดเราลาคาญ แต่พอเราเปลี่ยนจากความไม่ชอบเป็นความรู้สึกเฉยๆขึ้นมาเนี่ยความสงบมันเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะมันจะไม่รู้สึกทุกข์อีกต่อไปมันจะไม่รู้สึกวุ่นวายตัอไปเนี่ยเป็นเคล็ดลับนะเคล็ดลับของการที่เราจะพบความสงบในใจเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่ว่าทำให้ไม่มีความคิดเกิดขึ้นมันไม่ใช่ทำให้ไม่มีอารมณ์เกิดขึ้น เพราะขวามื อ, อนี้มันห้ามไม่ได้เมื่อมีการกระทบนะตากระทบรูปหูที่อินเสียงหรือแม้จะไม่มีอะไรมากระทบเลยนะแต่ว่าใจมันก็อดคิดโน่นคิดนี้ไม่ได้มันเป็นธรรมชาติของใจเราห้ามความคิดเราห้ามติดไม่ให้คิดไม่ได้แต่ว่าเราสามารถจะ เปลี่ยนจากความคิดที่ไม่ชอบนะเป็นความรู้สึกเฉยๆได้มันคิดยังไงมันจะคิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่ก่อนเนี่ยไม่ชอบเลยเพราะมันคิดถึงปัญหาคิดถึงความสูญเสียคิดถึงคนรักที่จากไปคิดถึงการกระทําคําพูดของใครบางคนพอคิดแล้วเกิดอารมณ์ขึ้นมา เนื่องจากเป็นความคิดที่เราไม่ชอบอารมณ์ที่ไม่ถูกใจเราเนี่ยเราก็เลยทุกทรมาร์ไม่สงบเป็นทุกข์แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราทำได้คือว่าเพี่ยนจากความไม่ชอบนะให้เป็นความเฉยเฉยจะทำได้อย่างไรนะตรงนี้แหละนะที่สติเนี่ยสำคัญเลยถ้าเรามีสตินะรู้ทันความคิดและอารมณ์เมื่อไหร่เนี่ย แล้วไม่เพียงจะรู้ทันนะแต่ว่ารู้จักวางใจเป็นกลางอย่างที่ท่านเรียกว่าให้รู้ซื่อเนี่ยรู้ซื่อๆคือรู้เฉยเฉยนะไม่ผักใสมันจะคิดอะไรก็แล้วแต่นะก็ดูมันเฉยเฉยไม่มาก็ทําได้ยากนะเพราะมันอดไม่ได้ที่จะผลักใสเพราะเป็นความคิดที่ไม่ชอบเป็นอารมณ์ที่ไม่ชอบ แต่ทันทีที่เราเนะีเลิกผักใสมันยอมรับมันอย่างที่มันเป็นนะหรือว่าวางใจเป็นกลางกับมันเนี่ยให้ความทุกข์ความวุ่นวายเนี่ยมันก็จะหายไปเลยนะคราวนี้คนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาพูดถึงความสงบในจิตใจเนี่ยเขาไปเข้าใจว่าต้องไม่ให้มีความคิดเกิดขึ้นไม่ให้มีอารมณ์เกิดขึ้น พอคิดแบบนี้เขาก็พยายามบังคับจิตไม่ให้คิดหรือว่าพยายามให้จิตเนี่ยไปจดจ่ออยู่กับอะไรบางอย่างเพื่อที่มันจะไม่คิดแต่ว่าทำอย่างนั้นไม่ว่าทํายังไงก็ไม่สาเร็จยิ่งบังคับจิตไม่ให้คิดมันก็ยิ่งขัดขืนต่อสู้นะมันยิ่งคิดเข้าไปใหญ่เลย สังเกตนะความคิดใดที่เราพยายามกดข่มมันยิ่งกดข่มมันยิ่งผุดยิ่งโผล่มันเหมือนกับวัยรุ่นนะยิ่งหา้ามเหมือนยิ่งยุ่นะสถานที่เราจะไปพยายามกดข่มความคิดหรือบังคับจิตไม่ให้คิดเรามาเราเปลี่ยนมาเป็นรู้ทันความคิดที่เกิดขึ้น แล้วก็ยอมรับมันดูมันเฉยเฉยนะเพอถ้าเราผักสายไล่ส่งมันนะมันก็ยิ่งต่อสู้นะยิ่งเราไม่เป็นมิตรกับมันมันก็กลายเป็นไม่เป็นมิตรกับเราศริลปาของการทำใจสงบนี่คือการที่เราไม่เป็นไม่เป็นศัตรูนะ หรือไม่รู้สึกลบเนี่ยกับความคิดและเอาอารมณ์ใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยต้องอาศัยสติที่มีกําลังที่มีความรวดเร็วหลายคนเวลาภาวนาเนี่ยนะอย่างที่บอณนะพยายามตั้งเป้าว่าจะไม่ให้มีความคิดที่จริงแล้วหน้าที่ของเราหรือเป้าของเราเนี่ยไม่ใช่ไม่ให้มีความคิดนะ เราควรจะเปลี่ยนเป้าให้มาเป็นรู้ทันความถ้าเราไปให้น้ำหนักกับการบังคับจิตไม่ให้คิดหรือว่าขจัดความคิดไม่ให้เกิดขึ้นเนี่ยเราจะผิดหวังแล้วเราก็จะหงุดหงิดแต่ถ้าเร า, าเปลี่ยนจุดสนใจเนี่ยมาเป็นการรู้ทันความคิด มันจะคิดมากคิดกี่เรื่องกี่ราวก็แล้วแต่ก็ช่างมันเราจะขอรู้ทันมันนะทุกครั้งไปแล้วก็ให้รู้ทันอย่างรวดเร็วในการจริญสิจิปฐานเนี่ยตรงที่สำคัญมากเลยส่วนใหญ่เนี่ยไปไปตั้งเป้าผิดนะหรือไปให้น้ำหนักผิดนะไปตั้งเป้าหรือไปให้น้ำหนักกับการ ขจัดความคิดไม่ให้เกิดขึ้นซึ่งก็มีแต่จะผิดหวังแล้วก็ท้อแท้แต่ถ้าเปลี่ยนเป้านะมาเป็นว่าให้มารู้ทันความคิดให้เร็วให้ไหวนะมันจะคิดมากคิดน้อยก็ช่างมันแต่เราจะขอรู้ทันให้มันไวถ้าทำถ้ ถ้าวางใจแบบนี้ถูกนะมันจะไม่มีคาว่าทำไมความคิดมันเยอะเหลือเกิ น, น, นที่บ่นอย่างเงี้ยแล้วทุกข์กับเรื่องแบบนี้เนี่ยเพราะไปคาดหวังว่ามันต้องไม่มีความคิดเลยหรือต้องมีความคิดแต่น้อยและที่คาดหวังอย่างนั้นเพราะคิดว่าถ้ามันมีความคิดน้อ ย, อยจิตจะสงบได้ ที่จรงไม่ใช่นะก็อย่างที่บอกนะไอ้ที่เรารู้สึกไม่สงบเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าเรามีความไม่ชอบกับความคิดที่เกิดขึ้นถ้าเราเพียงแค่เปลี่ยนจากความไม่ชอบเป็นความเฉยเฉยเขเรียกว่าอูเบกขาวางใจเป็นกลางหรือที่กูบาจานันเขาเรียกว่ารู้ซื่อซรู้เฉยเมันจะคิดมากคิดน้อยก็ช่างมัน เราจะขอรู้ทันมันอย่างเดียวเพราะการรู้ทันเนี่ยจะทำให้ความคิดนั้นเนี่ยมันเข้ามาเล่นงานจิตใจเราไม่ได้ไม่ทำให้ใจนี่ไปไม่ ไ, มไปยึดนะไม่ไปจมอยู่ในอารมณ์นั้นมันทำให้เกิดการปล่อยการวางจริงๆแล้วเนี่ยคนเราไม่ได้ทุกข์เพราะความคิดนะเราทุกข์เพราะไม่รู้ทันความคิดต่างหาก อย่าไปอย่าไปรังเกียจนะที่ความคิดมันเยอะเวลาภาวานาเนี่ยให้เตือนตัวอยู่เสมอว่าหน้าทิ้งเราเนี่ยไม่ใช่ทำให้ความคิดมันน้อยแต่หน้าทิองเราคือรู้ทันมันบ่อยๆรู้ทันมันเร็วๆอันนี้มันเป็นนะเป็นหลักสาคัญของการจลน์สติปัฏฐานเนี่ยหรือการจลน์สติเพื่อให ใจเนี่ยได้พบกับความสงบเป็นความสงบที่ปุตุชนนะยังส า, สามารถสัมผัสได้ยังไม่ต้องหมดกิเลสยังไม่ต้องหมดอวิชชานะเราก็สามารถพบความสงบได้หมเพียงแต่ว่าเรามีสติรู้ทันความคิดและอารมณ์หรือว่าเปลี่ยนนะความรู้สึกลบต่อความคิดและอารมณ์ต่าง ให้เป็นความรู้สึกเฉยๆเป็นกลางงั้นถ้าเราวางใจเป็นกลางความคิดกับความคิดและอารมณ์ได้เนี่ยไอ้ความคิดและอารมณ์นั้นมันก็หมดพิษสงเลยนะมันจะไม่สามารถจะสร้างความปั่นป่วนในจิตใจเราได้มันมีก็มันมีก็มีไปมันมาไปเดี๋ยวมันก็ไปทำแล้วเราไม่ได้เพราะมีสติเรื่อรักษาใจ เรงความสงบเนี่ยเราพบได้ที่ใจนะถ้าว่าวางใจเป็นมันไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนแต่ทั้งหมดทั้ ง, งต้องปเนี่ยต้องอาศัยความเพียรความพยายามการฝึกฝนฝึกปรือบ่อยๆนะถ้าเราไม่ฝึกฝนไม่ฝึกปรือเนี่ยมันก็สติมก็เกิดขึ้นได้ยากมันไม่ต่างจากการเรียนภาษาต่างประเทศเลยนะการเรียนภาษาต่างประเทศเนี่ยมันยากมากนะ เราต้องอาศัยความเพียรความพยายามในการท่องในการท่องศัพท์ในการพูดในการฝึกในการปฏิบัติบ่อยๆจึงจะอ่านได้เขียนได้แล้วพูดได้หรือฟังได้จริงๆต้องใช้เวลาเป็นปีเลยนะกว่าเราจะอ่านออกเขียนได้เนี่ยภาษาต่างประเทศอาจารย์เกรนินเจริสติเพื่อให้พบกวับความสมบในใจก็เหมือนกัน มันไม่ใช่แค่ทำประเดิวประดาวแล้วเนี่ยเราจะพบความสงบในใจได้เมือ่อที่เราใช้เวลาประเดีย๋ยวประดาอ่านศึกษาภาษาต่างประเทศเราคิดว่าเนี่ยมันจะพูดได้มันจะอ่านได้พอพูดไม่ได้อ่านไม่ได้ก็เลยท้อแท้ดังนั้นที่เราให้เวลากับมันไม่มากพอแม้กระทังว่าเราต้องการความสงบ ในใจเนี่ยมันต้องยอมให้เวลากับมันเราเสียเวลาไปกับความทุกข์มากมายนับไม่ถ้วนแล้วทำไมเราจะให้เวลากับการสร้างสติเพื่อซึ่งเป็นวิธีแห่งความไม่ทุกข์ลอง ท, ทบทวนดูนะเราหมดเวลาไแปบบเสียเวลาไปกับความทุกข์นี่เยอะมากเลยแต่เวลาที่เราจะให้กับวิธีแห่งความไม่ทุกข์นี่เรา ให้น้อยมากและพอเราให้น้อยมันไม่ทำให้เราพบความสงบในใจได้เราก็รู้สึกว่าชีวิต น, นี้หมดหวังแล้วเราไม่สามารถจะพบความสงบในจิตใจได้อันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดขอเพียงแต่เรามีความเพียรให้มากแล้วก็จะพบความก้าวหน้าที่เราน้อยทือเราน้อย คำนี้พูดท่านี้นะครับ